ไม่ต้องพูดถึงว่าจะขึ้นหน้าฝรั่งหรือญี่ปุ่นจะเป็นนำเขาแม้แค่จะตามเราก็ยังไม่รู้ไม่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเมืองไทยเรานี้เพราะเหตุที่เราใจดีมีความเป็นมิตรเต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจต่อแขกเรือคนนอกเราก็มีแนวโน้มที่จะให้เกียรติเขาและนิยม ช, มชมชอบคนอื่นได้ง่าย ด้านดีไม่ต้องพูดถึงแต่ในแง่ร้ายก็กลายเป็นช่องให้เกิดผลเสียด้วยเวลานี้คนไทยเรานิยมชื่นชมฝรัง่งเราก็เลยมีค่านิยมตามวัฒนธรรมฝรั่งไม่ว่าอะไรที่มาจากฝรัง่งคนไทยมองเป็นดีไปหมดปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นเวลานี้มากทีเดียวเกิดจากค่านิยมเหอฝรัง่งและตามฝรั่งในเรื่องไม่เป็นเรื่องคือในเรื่องที่ไม่เป็นสาระ หาแก่นสารไม่ได้เป็นเรื่องชั่วครู่ชั่วยามวูบวาบฉาบฉวยตามเขาไปปัญหาด้านนี้เกิดจากการมองไม่เป็นและตามไม่เป็นจึงเห็นและจับเอามาเพียงส่วนที่ผิวเผินฉาบฉวยหรือแม้แต่ส่วนที่เป็นด้านเสื่อมของเขาแต่ไม่ดูสังคมของเขาให้ลึกและให้ชัดว่าส่วนที่เป็นแก่นสารของเขาคืออะไรที่เราควรจะเอามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอะไรที่ต้องเพียรพยายามเหน็ดเหนื่อยหรือทาให้ยากเนี่ยคนไทยมักไม่เอาเราจึงเป็นพวกที่ชอบเสพและติดอยู่แค่ขั้นบริโภควันก่อนได้พูดไปกับทางด้านการศึกษาว่าเมืองไทยเรานี้เป็นสังคมบริโภคนิยมตามฝรัง่งอเมริกันก็เป็นสังคมบริโภคแล้วเราก็เป็นสังคมบริโภคด้วยทาท่าว่าจะเหมือนกัน แต่ที่จริงไม่เหมือนกันฝรั่งเป็นสังคมนักบริโภคพร้อมกับเป็นสังคมนักผลิตด้วยสังคมอเมริกันนั้นฐานของเขาเป็นนักผลิตมานานแล้วคือเป็นสังคมอุตสาหกรรมเขาสร้างตัวมาอย่างหนักและเหน็ดเหนื่อยแต่สังคมไทยของเรานี้ไม่ได้ผ่านการเป็นนักอุตสาหกรรมไม่ได้ผ่านการเป็นนักผลิต อยู่ๆก็ข้ามาเป็นนักบริโภคเลยต้องเรียกว่าเป็นนักบริโภคสิ้นเชิงถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็ต้องเรียกว่าเป็นแอปซอลูตคอนซูเมอร์คนไทยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างฝรั่งฝรั่งเขายังเป็นนักผลิตเครื่องหนึ่งที่จริงฝรั่งนั้นฐาเนื้อในของเขาคือความเป็นนักผลิตด้วยซ้ำส่วนความเป็นนักบริโภคเป็นเพียงส่วนเปลือกผิว แต่คนไทยเราไปมองและจับเอามาเฉพาะด้านเป็นนักบริโภคเราจึงเป็นนักบริโภคที่เก่ยงยิ่งกว่าฝรัง่งข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราบริโภคได้แต่ทำไม่เป็นจึงได้แต่ตื่นเต้นรอว่าฝรั่งจะผลิตอะไรฝรั่งมีอะไรใหม่ก็รอจะมีตามเขาแล้วก็เตรียมตัวไปซื้อแต่ไม่คิดจะทำพอซื้อของเขามา และมีกินมีใช้อย่างฝรั่งแล้วก็คิดเอาเองว่านี่แหละคือเราเจริญอย่างฝรัง่งประเทศที่จะเจริญอย่างฝรั่งได้จะไม่มองแค่นั้นแต่เขาต้องมองว่าฝรั่งก็ตามญี่ปุ่นก็ตามทำอะไรได้ฉันจะทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นนักสร้างความเจริญ แต่ถ้าคิดแค่ว่าฝรั่งและญี่ปุ่นมีอะไรกินมีอะไรใช้ฉันจะมีกินมีใช้อย่างนั้นบ้างอย่างนี้ก็เป็นแค่นักบริโภคอย่างที่ว่าแล้วคือเป็นได้แค่นักบริโภคความเจริญไม่ใช่นักสร้างความเจริญเพราะฉะนั้นจะต้องสอนเด็กไทยกันใหม่ในขณะที่คนไทยมินิัยชอบโกเก๋ okay, และเอาความโกเก๋ okay ไปผูกไว้กับการเสพ บ, บริโภคว่า ถ้ามีของกินของใช้อย่างนั้นแล้วโก้เราวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่รอว่าจะมีของโน้นใช้มีของนี้กินแล้วโก้ต้องคิดใหม่ว่าใครทำได้จึงจะโก้ถ้าใครมีบริโภคหรือมีเสพอย่ายอมรับว่าโก้เลยอย่าไปยกย่องเลยเธอต้องทำได้ด้วยต่อเมื่อเธอทำได้ฉันจึงจะยกย่อง คนไทยต้องเป็นนักทำนักผลิตให้ได้ความเป็นนักบริโภคบวกกับค่านิยมโกยอย่างนี้นำไปสู่ความเสื่อมเพราะเรื่องของการบริโภคนี้ไปสัมพันธ์กับพวกอบายมุขและความเป็นคนอ่อนแอคือเป็นการหาความสุขโดยไม่ต้องทำกลัวความยากลำบากและทำไม่เป็นถ้าทำก็คิดว่าจะต้องเหนื่อยต้องฝืนใจทามีความทุกข์ ก็เลยเอาแค่เป็นนักบริโภคคอยหาแต่สิ่งที่จะมาบำรุงบำรเรอรอฝรั่งและญี่ปุ่นผลิตให้แล้วในที่สุดก็ปล่อยตัวไปในทางเสื่อมเช่นเสพยาบ้ายาอีและมัวสุมกันถ้าเราพัฒนาเด็กของเราให้เป็นนักธ ร, รมนักผลิตนักสร้างบ้างไม่ใช่เป็นแต่นักบริโภคอย่่่างเดียยวไมใชคอรอบริโภคอย่างเดียวแต่ทาเป็นด้วย เป็นอะไรของฝรั่งหรือของผลิตจากญี่ปุ่นก็บอกว่าฝรั่งหรือญี่ปุ่นทำอะไรมาฉันจะต้องทำให้ได้ถ้าพูดอย่างนี้ล่ะก็เมืองไทยเปลี่ยนทิศเลยแต่ถ้าบอกว่าฝรั่งทำอะไรมาฉันจะมีอย่างนั้นบ้างอย่างนี้จบไปไม่รอดจะมีได้อย่างไรเมื่อตัวเองทำไม่ได้ก็ต้องไปซื้อเขาเพราะฉะนั้น ต้องคิดใหม่พูดใหม่ว่าฉันจะต้องทำให้ได้อย่างนั้นแม้แต่จะซื้อของเขาก็ซื้อมาเพื่อศึกษาหาทางที่จะทำให้ได้ถ้าคนไทยเป็นอย่างนี้ประเทศไทยก็จะเข้าแนวของพระพุทธศาสนาและจะเจริญเป็นประเทศที่พัฒนาและนำเขาได้อย่างแน่นอน